บุกทูหกสิบห้าการปฏิเสธสองแหวนวงนี้แพงไหมคะไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรเนี่ยยานุคัตตูเยูเซห์ฮุสตเยรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะอเลวเมเนียตุลกิเพดิตคุณเสร็จแล้วใช่ไหมติวโจฮาตูว์ฮตูวไม่ยังไม่เสร็จค่ะยอ แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ Alli hutka ย a budu gotovy, g o t o a คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Hutjesje supe. ไ, ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Ne, bolshie h o t c แต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะ Ali hotchu jeszcze jedno m a r คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Тужу давно туда в ъ е з ไม่ค่ะพึ่งเดือนเดียว Не только один месяц. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Алья виду уже многих людей. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ จะเอ ไ, ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกินีแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะอาริยาเวลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะยดัชกาอูโจ ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีเนี่ยยี่ตลกิ17มัดูแต่เธอมีแฟนแล้วนะอเลวิเยยูจูยสุสคลูปิตกรุณาไปที่ www.bookto.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด